วันนี้ก็ครบรอบสามปีแห่งการลัสังขารของหลวงพ่อคำเขียนถ้าพูดถึงตามประเพณีไทยของชาวพุทธเมื่อคนที่เราเคารพรักนะจะเป็นบุปการีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือลูกหลานมิตรสหายนะเวลาเสียชีวิตและครบรอบ นะวันจากไปเนี่ยเราก็จะมีการทําพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งการถวายสังฆทานนะทอดภาบางสุกุลเป็นต้นนะเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้กับู้ที่รลวงลับแต่ว่าสำหรับพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนในวันสำคัญแบบนี้เรา ทำดีกว่านั้นนะก็คือการทําความเพียรเพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาแด่ลุงพ่อแล้วก็ไม่ใช่ความเพียรที่ทํากันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่ว่าเราทํากันแปดเก้าชั่วโมง ข้ามคืนนะโดยที่ไม่หลับไม่นอนกันที่จริงพูดถึงพิธีทางาศาสนาแล้วก็มีอยู่บ้างนะมีการสวดอภิธรรมแปลแล้วก็สวดธรรมจักรแปลเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้านะอันนี้ก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อได้สั่งเอาไว้ว่าเมื่อ ท่านมารณาภาพนะการจัดงานศพของท่านนะไม่ต้องสวดอะไรมากนะสวดแค่อภิธรรมเจัมคำพีแปลแล้วก็ธรรมจักรกับวัฒนสูตรแปลนะเพราะว่าถ้าสวดเป็นบาลีอย่างเดียวไม่รู้เรื่องและทากคำชับว่าเนี่ยไม่ต้องอมีการทอดภาพบางสกุลนะเป็นการสิ้นเปลือง จริงเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเราแล้วนะแม้แต่บุญกุศลนะที่เราอยากจะทำอุทิศให้ท่านก็ไม่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยให้ตัดเรื่องอ่าพิธีอ่อุทิศส่วนกุศลอย่างที่ว่าไปนะถ้าเราจะทาบุญทาให้ตัวเราเองดีกว่านะไม่ต้องทำให้ท่านและทำให้ตัวเราเองก็คือการนะ จเจริญสติทำความรู้สึกตัวอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะเห็นนะเพื่อตัวเรานะเพื่อลูกศิษย์ของท่านนะไม่ใช่เพื่อตัวท่า น, นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันครบรอบวันมรณภาพเนี่ยนะเราก็ไม่มีพิธีอะไรมากแต่เราจะได้เรื่องการปฏิบัติ จะเน้นเรื่องตัวธรรมะล้วนๆทั้งการปฏิบัติธรรมและการฟังธรรมนะซึ่งก็ได้ทำไปแล้วนะเมื่อคืนนี้วันนี้เราก็มีพิธีกรรมนะที่เรียบง่ายนะก็คือการไปขอรบสักการะนะอธิธาตของหลวงพ่อที่บรรจุไว้ตรงลานหินโค้งนะ ซึ่งก็เป็นที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อเทียนด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะเราก็จะมีการประชุมเตรียมงานธรรมญาตราธรรมยาตรานี่ก็เป็นงานที่หลวงพ่อเริ่มอีกงานหนึ่งตั้งแต่ปีสี่สามจัดไปแล้ว17บ็ดครั้งนะ ปีนี้จะจัดเป็นครั้งที่สิบแปดหนึ่งถึงแปดธันวาอันนี้ก็เป็นการาสนองปณิธานของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่าชีวิตท่านครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อุทิศให้ป่าอีกครึ่งหนึ่งก็อุทิศให้คนนะอุทิศให้คนก็ก็มีหลายอย่าง น่าจะเป็นเรื่องการช่วยสงเคราะห์ผู้ที่อยากไร้ซึ่งท่านทํามากนะที่ทํามาไฟหวานแต่ว่าตอนหลังก็มาเน้นหนักเรื่องการสอนธรรมะโดยพอกกรรมฐานนี่เครื่องเงินเครื่องหนึ่งท่านอุทิศให้ป่าป่าก็หมายถึงการอนุรักษ์ป่าไม่จําเพาะป่าสุกโตนะขยายไปถึงป่าภูหลงป่าภูกลาง รวมทั้งป่าบนเทือกเขาภูแลนคาหรือที่อื่นนะก็ได้ถ้าท่านมีกำลังแต่ว่าท่านก็ทำได้เท่านี้นะคือการาดูแลใจใส่ปลาในเขตเทือกเขาภูโคง้งนะท่านจึงไิเริ่มให้มีธรรมญาตราขึ้นมาธรรมญาตาเพื่อลุ่มน้ำลาปทาว สมัยก่อนคำนี้เนี่ยนะคนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันไปทั่วนะแล้วก็เข้าใจต่างๆกันนะต่อธมัมยตาผู้ลุ่มนะ้ำลุ่มน้ำระบาดทา น, นี่ก็ก็เป็นการเดินจาริกนะไปตามหมู่บ้านต่างๆบนหลังเขาบางปีก็ลงไปจนถึงแก้งเคราะห์หรือภูเขียว ชิชวนให้คนหันมาตื่นตัวเรื่องภัยธรรมชาติภัยที่กาลังเกิดกับธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลายป่าที่ถูกตัดนะดินที่กำลังแห้งตายเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำเพื่อธรรมชาติแล้วก็เป็นการปฏิบัติทําไปในตัวนะก็คือว่า เดินด้วยความสงบจเจริญสติจะเจอทุกนะจากแดดร้อนอากาศหนาวฝนตกทางไกลหรือว่ามีกลวดมีหินตามทางคือบางคนก็ถอดรองเท้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะโดนกลวดหินทิ่มเท้าบ้างนะก็ให้รักษาใจาไว้นะ กายมันจะทุกยังไงนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติเดินเจริญสติไปด้วยทำความรู้สึกตัวไปด้วยเรียกว่าได้สองอย่างในเวลาเดียวกันนะก็คือกระตุ้นให้คนรักธรรมชาติแล้วก็ขณะแต่การคนเดินก็หันมารักษาใจหรือธรรมชาติภายในให้เป็นปกติ เพราะว่ามันสมดุลอา่ามันสัมพันธ์กันคนเรานะถ้าหากว่าธรรมชาติภายในมันเสียศูนย์ปล่อยให้ความโรคครอบงำมันก็ไปส่งผลเสียต่อธรรมชาติภายนอกมีการตัดไม้ทำลายป่ามีการทำลายแหล่งน้ำลำาทานเพื่อสนองความโรกของตัว ทางถางตรงและถังอ้อมนะอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะที่พวกเราก็ตั้งใจจะสื่อทอดนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่จะว่าไปก็ยังไม่ใช่งานหลักนะเพราะว่ามันแค่ทำปีละครั้งทำปีละครั้งปีหนึ่งก็ไม่กี่วันแต่เตรียมการกันนานนะ แต่งานหลักนะี่าคือเรื่องนะกรรมาฐานเรื่องการเจริญสติแล้วก็ควบคู่กับการสอนทำนะให้กับผู้คนอันนี้เวลาเราเรารึกถึงหลวงพ่อเนี่ยก็อย่าเราลึกถึงนะเพียงแค่ว่าเออนะท่านเป็นพระที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสนะรู้สึกเย็นใจที่ได้อยู่กับท่าน แต่ว่าให้คิดต่อไปว่าเออเราจะนำคำสอนของท่านนะไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อยอดได้อย่างไรเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนแล้วก็ขยายไปสู่ภายนอกนะมันเป็นงานที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะทำไม่สนใจนะเพราะว่าไปสนใจสิ่งภายนอกตัว ไปสนใจเรื่องที่มันเป็นโล ก, กธรรมฝ่ายบวกนะมีลาบนะมียศนะได้รับสรรเสริญแล้วก็สุขนะแบบโลกโลกไอการที่จะมาฝึกใจนะให้มีสติมีปัญญาจนกระทั่งเป็นอิสระจากโล ก, กธรรมไม่ว่าลบหรือบวกเนี่ยอันนี้มันมีคุณค่ามากนะ มันเป็นหลักประกันแห่งความสุขความเจริญที่แท้แต่คนก็มักจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันให้ผลช้าแล้วก็จะเรียกว่าไม่มีสิ่งดึงดูดที่ให้ความสุขได้ฉับพลันความสุขทั้งโลกนี่มันให้ผลเร็วนะเสร็จปุ๊บก็สุขปั๊บละ ไม่ว่าเสพทางตานะทางปากเนี่ยแต่ว่าความสุขที่เกิดจากชีวิตที่เรียบง่ายจิต ท, ที่สงบมีสติเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่ามันให้ผลที่ยั่งยืนบางทีทําไปมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดผลปฏิบัติไปนะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางทีเป็นปี มันไม่เกิดผลสักทีหลายคนก็ทอ้อเมื่อนก่อนได้ไปเห็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาพูดถึงไผ่นะไผ่จีนไผ่จีนเนี่ยนะลดน้ำเนี่ยนะต้องลดน้ำเป็นปีๆนะลดน้ำทุกวันห้าปี มันก็ยังไม่โปลนะมันยังมันก็มันก็ยังไม่แทงยอดออกมาบางทีเหมือนกับว่าลดน้ําใสดินแห้งๆหลายคนก็ท้อนะลดน้ําวันแล้ววันเล่านะปีที่หนึ่งก็ยังไม่มีอะไรปีที่สองก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นลดไปหนึง่งห้าปีแต่พอครบห้ปีนะ ไผ่นี่มันจะบันดีคือดีมันก็แทงยอดพุฒพุฒพุวพุขึ้นมาภายในเวลาหกอาทิตย์นะมันสูงถึงแปดสิบฟุตนะหกอาทิตย์นี่ก็สี่สิบสองวันเฉลยแล้วก็คือโตวันละสองฟุตนะโหเร็วมากเลยไอ้เบิดมันจะโตมันก็โตเร็วนะพุฒพุฒพุฒพุเลยโตวันละสองฟุตเหมือนกับว่าเห็นมันโตได้ซ้ํา เห็นมันแทงมันก็เห็นมันแทงยอดเลยอันนี้เขาก็เปรียบว่าไอการปฏิบัติธรรมหรือการทำความเพียรก็คล้ายๆกันบางทีทำแล้วนี่ดูเหมือนไม่เห็นผลนะจนกระทั่งบางคนก็ท้อไปทำอย่างอื่นดี ก, กว่าแต่ที่จริงผลเนี่ยมันเก็บสะสมมาไว้นะมันสะสมมาไว้มันเตรียมมันรอเวลานะพอได้ที่พอถึงเวลามันพุ่งพลวดขึ้นมาเลย การปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆแบบนั้นแหละทำไปทำไปมันก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรแต่พอพอทำไปจุดหนึ่งนะมันเปลี่ยนแปลงเกิดความเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อเทียนให้เงินเปลี่ยนมันก็ว่าน้ำเนี่ยเติมน้ำเติมน้าทีละหยดทีละหยดใส่องหรือว่าใส่คุกเติมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอมันพอน้ำมันเต็มนะคราวนี้แหละมันจะเริ่มล้นออกมาแล้วนะมันจะเริ่มล้นออกมาเห็นแล้วเนี่ยหมายความว่าเติมสติลงไปเติมสติลงไปก็ดูมาว่ามีไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักทีแต่พอมันเต็มนะมันเต็มมันได้ที่เนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตขึ้นมาก็คนละ้ายๆกับไผ่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการนะทำความเพียรมันต้องอาศัยการรู้จักรอคอยด้วยนะการรู้จักรอคอยก็ทำให้เราทำเพียรได้ทาความเพียรได้ต่อเนื่องมันอาจจะให้ผลช้านะแต่มันก็ให้ผลที่ยั่งยืนนะภายพอมันโตขึ้นเนี่ยนะแปดสิบฟุตนิวมันก็อยู่ได้นานทีเดียวนะแล้วก็สามารถจะก่อประโยชน์มากมายตามมา อาแล้วก็อเดี๋ยวเราก้าโมงนะเราก็มารักมาเจอมาพบกันพร้อมกันที่หน้าสาราอ่เตรียมรับผ่อนที่ตังปฏิตังตุมหังคอยท่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพีพะเมวัสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรสาเพภูเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยตาเหมือนพระจัน์ในวันเพนมานิโชติระโสยทาเหมือนแก้มานิยนสว่างสวัยควรยินดีสาภิติโยวิวาันตบปานจันายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภววะวันตรายโย อันตารายามีแก่ท่านสุขิธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภีวาธนาสิเลสนิจังวุตตาปจายนโนจัตตารธรรมวะทันติอายุวันโนสุขังพลังสามสีปาการคืออายุวันนะสุขาพลั ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ภาวตุสัพมังคลังก่อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาพอราเทวดาทั้งผหวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวน่ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังคานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งราสองสานทาโสทิภาวันตุเตขอภาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทมเมือเถิ